ก็หน้าเรานี่ต้องล้างทุกๆสามสี่ชั่วโมงเนี่ยนะห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเนี่ยถ้าไม่ล้างหลังกว่านั้นนันจะเดือดร้อนแล้วก็จริงๆเราถามว่าในบรรดาสิ่งที่เปลี่ยนบ่อยมากก็คือเนี่ยย้อนกลับเข้ามาภายในเนี่ยนะดูแลยากจริงๆเลยนะดูแลตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่ต้องดูแลเพราะของพวกนั้นที่ดูแลเข้ามาข้างในก็เพื่อจะดูแลอะไรนะดูแลภายในนี่แหละเพื่อจะให้มันเกื้อกูลภายในนั่นแหละเพวกนี้นั้น รูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าก็าเป็นทุกข์เพราะนามาซึ่งทุกข์กับทุกข์อ่ะสิ่งใดที่ไม่เที่ยงไงนำมาซึ่งทุกข์กับทุกข์นำมาซึ่งวิ้ปรินามาทุกข์นำมาซึ่งสังขารทุกข์เนี่ยนะอย่างสมมติอย่างของโรงแรมเลยนะของใช้ใน น, ในี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เที่ยงไงมันต้องหาใหม่เข้ามาเพิ่มเนี่ยเจ้าของโรงแรมเคล็ดเลยนะแต่ร้านร้านขายวัสดุใช้ในโรงแรมยิ้มแป้เลยนะ โอ้ได้รายได้เข้ามาแล้วไงนะเพราะด้ ว, วยไอ้ภาชนะความที่สังขารตั้งหลายมันไม่เที่ยงนะมีผู้ที่โสมไอโทรมันัดและโสมมันัดเพราะเหตุการณ์เดียวกันอันนเหตุการเดียวกันสมมติ ว, ว่าบ้านเราเนี่ยผุน้ํารั่วจึงช่างท่างเสียใจด้วยใช่ไหมเราช่างดีใจเลยโอ้ได้งานอีกแล้วมีงานทำแล้วในเหตุการณ์นั้นมีคนดีใจเอาทิแล้วก็มีคนเสียใจอย่างสมมุตินั่อย่าง อ่าคนตายหนึ่งคนเนี่ยนะญาติไม่เสียใจเลยใช่ไหมญาติอันเป็นที่รักไหยเสียใจแต่ถามว่าพวกสัมเพลทั้งหลายเนี่ยดีเสียใจใช่ไหมดีใจนะโอ้มีมาอีกศพหนึ่งแล้วได้รายได้เพิม่มอีกแล้วเป็นต้นเนี่ยนะก <c oughs> ็ทําให้เห็นว่าในสิ่งเดียวกันเป็นที่ตั้งแห่งดีใจและเสียใจสมมติถ้ารถเนี่ยวิ่งหรืออะไมันเสียเจ้าของรถเสียใจแต่ว่าอูนิดดีใจ ดีใจทั้งเหตุการณ์เดียวกันเป็นนี้ทุกเนี่ยเพราะเป็นตัวเข้าเองไม่เที่ยงเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกข์อีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งวิวรีนามาทุกข์คือความสุขของกับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะสังขารทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างนี้เพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรด้วยหนอที่จะตามเห็นว่า นั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราทั้งๆ ท, ที่เราไม่มีอำนาจอะไรในสิ่งนั้นเลยเหรอนะอย่างผูุ้ดสูตรผู้การก็คือรถข้างบ้านนะไปคิดว่าเป็นของเราเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเลยนะถ้าสมมตินะถ้าเรามาเข้าใจว่าเมืองพาราณสีเป็นของเรานะคุณจะเดือดร้อนขนาดไหนอ๋อสมมติทิ้งต่างว่าคุณคือนายกเทศสมตรีเมืองพาราณสีเนี่ยนะอื้อหือเบ่งเลยในเนี่ยแล้วคุณเป็นนักมิวโดมการผู้ยิ่งใหญ่ จะพัฒนาเมืองนี้ให้ก้าวไกลทันมามีการไงนะทั้งใส่เนี่ยต้องกินยากลอา่อมประสาทอยูเรื่อยนะกินยาผ่อนคลายกล้ามเนื้อลแล้วส่งจิตแพทย์เลยแหละมันจะทุกข์มากขนาดนั้นนะเพราะรูปมันทั้งหลายมันก็เป็นเป็นอย่างนี้พ่านเราทั้งหลายที่มานี่ก็ไม่ต้องมาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองพาราณสีนะถนนต้องอย่างนี้จาราจรต้องอย่างนั้นประชาชนต้องอย่างนี้เป็นต้ออนไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายมไม่ใช่ของเราหรอกก็ถ้าไปคิดเป็นของเราเมื่อไหรน่นี่เดือดร้อนมากมากเลยนะ พันรูปทั้งหลายเนี่ยนะอย่างที่พงษ์ตรัสชัดๆอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ของเธอทั้งหลายแล้วรูปทั้งมวลที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดายอย่างในรูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเวทนาทั้งหลายที่มีรูปเหล่านี้เป็นอารมณ์เนี่ยนะมีวัตถุมีรูปเหล่านี้เป็นวัตถุมีรูปเหล่านี้เป็นอารมณ์เวทนาอาศัยรูปที่ไม่เที่ย ง, งเวทนาจากเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเนี่ยนะเป็นทุก สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรรู้อนอะจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยนะก็ไม่ควรเนี่ยนะอย่างบ้านเราเนี่ยนะว่าเอออยู่บ้านเราเนี่สบายอีกวันหนึ่งวูร้อนที่สุดเนี่ยแหละอยู่บ้านไต้องออกไปข้างน อ, อกเลยนะจะรู้ว่ามันก็อะไรนะรูปเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาใช่ไหมรูปนะเป็นวัตถุและเป็นอารมณ์แห่งเวทนาเมื่อรูปมันไม่เที่ยงแล้วเวทนาทั้งหลายจัดเที่ยงมาแต่ไหนเนี่ยนะ พันใครที่ไปฝากใจเอาไว้กับรูปที่ไม่เที่ยงสเสวยสุขจากรูปที่ไม่เที่ยงแล้วถามว่าความสุขเหล่านั้นจะยั่งยืนไหมมันก็ไม่ยั่งยืนเนี่ยนะอยากสมมุติถ้าเราพอใจในสมมติเราเอาเป็นบุคคลเนี่นะเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นที่พอใจเราเนี่ยถามว่ารูปที่ ท, ที่ที่คนอื่นที่เป็นที่ดั้งแห่งความพอใจตอนที่เขายึ้งใส่เราใช่ไหมไม่ใช่ตอนที่เขาสุขเสมันัดยิ้มเย้มแจ่มใสแล้วคนมันจะไปยิ้มอะไรได้ทั้งปีทั้งชาติ เ้าก็มีเครียดอ่ะว่าคนมีกิเลสอ่ะนะสาว่าท่านหน้าเขาเปลี่ยนไปนี่เราจะเป็นยังไงะนะแล้วสมมุติถ้าเรามีหลานเนี่ยล้านเราจะยิ้มตลอดมั น, นใช่ไหมถ้าตอนมันร้องไห้แล้วปู่ย่าตายายทั้งหลายจะรู้สึกยังไงยังไงจะรู้ว่ารูปเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งทุกจริงจริงอ่ะนะอย่างกันหังเขาเห็นนะใครที่มีลูกเนี่ยอย่างโบกขึ้นเครื่องเนี่ยจะเห็นบ่อยเลยนะอย่างหรือตามบ้านตรวตามเธอะ แลอีกพักหนึ่งนะตอนที่ลูกหลานมันยิ้มแย้มเขาก็คิกคๆคมีความสุขมากเลยนะอีกพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันเ อ, อราเดี๋ยวมันร้องไห้กระจองงอแงล่ะเอาอีกแล้วคับ น, นี้ยทุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นม <c oughs> เครียดแล้วนะก็เริ่มเดือดร้อนเริ่มเนี่ยพ่อรูปทั้งหลายเป็นของออรูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเมื่อรูปไม่เที่ยงแล้วเวทนาทั้งหลายจักยั่งยืนจักมั่นคงจัก เที่ยงแท้มาแต่ไหนเนี่ยนะมันเวทนาทั้งหลายไม่เที่ยงรองแล้วถ้ารูปไม่เที่ยงด้วยเวทนาก็ไม่เที่ยงด้วยสัญญาที่ไปสําคัญหมายในสิ่งนั้นตอนแรกเราก็สําคัญหมายว่ามันดีตอนหลังเราก็ว่ามันไม่ดีแล้วอีกภาคหนึ่งเป็นการมสัญญาอีกภาคหนึ่งก็เป็นพยาบาทสัญญาในสิ่งเดียวกันเพรานอากุสลสัญญาทั้งหลายก็อา ศ, าศาัยวัตถุเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ควรหรือนอที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่สมควรเลยนะ no เหตังพันเตไม่สมควรหรือพระเจ้าค่ะแต่เชื่อไหมว่าเราเรามีความคิดสอบเคราะกับที่พระพุทธเจ้าตัด ก, กับคิดตามแบบเราคิดเองอันไหนเแบอบรกันคิดเอาเองนะเพื่อนคิดตามเนี่ยนะคุณต๋อย ในคิดสอดคล้องตามที่พระพุทธเจ้าว่าเนี่ยนะเห็นให้มันคิดตามเออจะหาความเทียเท่ยงแท้มาแต่ไหนเนี่ยนะก็ถ้าใครคิดสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสได้บ่อยๆนะอีกไม่นานเขาจะตรัสรู้แต่เราส่วนใหญ่มันคิดฝืนอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าไว้ส่วนใหญ่แล้ววิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงในเที่ยงนะแล้วก็จิตตั้งมีตั้งสิบหกประเภทใช่ไหม จิตสิบหกกันนะจิตมีราคาจิตปรสศจากราคาจิตมีโทสะจิตปรสศจากโทสะเป็นตน้นเมื่อจิตมันเป็นไปตามาวัตถุตามอารมณ์ตามสัมปยุตธรรมมันุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยวิญญาณมันจะเที่ยงมาจากไหนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือ no ที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรา ในความเป็นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ทั้งหมดนะทั้งที่เป็นอดีตมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดารูปทั้งหลายในอนาคตทั้งหมดรูปเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ปัจจุบันภายในภายนอกอ ย, ย่าละเอียดเลอตอนนี้ใกล้ไกลทั้งหมดเหล่านั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมนาจึงไม่ควรเลยที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยนะอริยาสาวกเนี่ยนะพู้ได้สดับแล้วอย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่มากๆย่อมเบื่อหน่ายไม่ในโรคเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ อย่าลืว่าความตรัสรูท้ทำในที่นี้คือเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนดเพราะคลายกําหนัดจิตก็หลุดพ้นเพราะฉะนั้นการรู้เห็นตามความเป็นจริงนํามาซึ่งความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดนั่นคือทางที่สุดแห่งทุกข์นั่นคือทางแห่งความพ้นทุกข์รู้จริงจนกว่าจะเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดเนี่ยนะผู้การกล่าววันก่อนว่าเนี่นะถ้าปฏิบัติแค่เบื่อหน่ายคลายกําหนัดเฉพาะตนมไม่น่าจะยากเท่าไหร่ว้างนั้นนะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะให้ผู้การมาเล่าให้ฟังว่าทํำยังไงจึงจะได้ทีอย่างที่ว่าเนี่นะเรพักสักเราจะออกไปเดินครับูดถึงว่าถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษานะฮะผมผมเป็นความเห็นของผมนะว่าถ้าจะศึกษาแล้วก็เออเพียงเพียงเอาตัวรอดไปงนะั้เถอะนะก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องขนขวายศึกษาเออ ลงไปลึกๆนักมากเลยมาเรื่ว้างขวางด้วยเนี่นะครับต้องต้องจบจำมากเลยนะรเราจะเห็นว่าปัญญาของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยต้องขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจึงจะถ่ายทอดได้ผู้ที่มีความเข้าใจแล้วแต่ว่าไม่สามารถถ่ายทอดได้มีครับมีฮะผมเชื่อว่ามีนะฮะแม้แต่ในกลุ่มพวกเราเนี่ยนะมีความเข้าใจแต่ว่าก็ ก็ไม่มีอุปนิสัยหรือว่าไม่มีฉันท่าที่จะจะสอนเนี่ยนะฮะผมผมว่าเชื่อว่ามีส่วนผู้ที่จะเป็นครูบาอาจารย์จริงๆได้นี่นะะผมผมเห็นมาหายากเหมือนกันแล้วข้อที่จะพัฒนาตัวไปสู่จุดนั้นเนี่ยไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยผมก็ยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าพระอาจารย์เนี่ยนะครับถ้าเราจะ ถ้าเราจะเป็นครูก็ต้องเป็นอย่างระดับพระารถน่นะครับหมายความว่ารู้ห่างจากรูปศิษย์หลายหลายขัน้นหลายขั้นหลายคุม่มนะเออคือว่าท่าท่ผมสังเกตมาตั้งแต่ผมติดต่อกับพระอาจารย์นุ้มบัตรมันม า, มาก่อนก่อนก่อนหน้านี้นานมากเลยนะที่สมัยที่ท่านยังอยู่ที่หนองปลิงอะ่ะมันก็มีจดหมายถามไปถามมาเนี่นะ ผมถามไปคำสองคำก็ตอบมาบรนณนาโยยาวเลยนะหน้ากระดาษพิเศษยาวเลยก่อนนี้ผมจําได้ผมยังถามว่าเ อ, อ้อความแตกต่างออของออพยาบาทกับวิหิงสาเ อ, อ้อต่างกันยังไงนะผมสงสัยนะอาจารย์กอธิบายมามากมายยาวเลยนะก็พอจับใจความว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราเห็นตรงๆว่าต่างกันยังไงไม่ได้เราดูเห็นตรงกันข้ามนะเช่นสมมุติว่าพยาบาทเนี่ย อ, อ, องค์ธรรมมันได้แก่อะไรก็อวิหิงสาเนี่ยมันได้แก่อะไรเราก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเนี่ยแม้แต่พยาบาทจะวิหิงสาเนี่ยนะครับก็ก <c oughs> ็องค์ธรรมองค์ก็โทสะด้วยกันนะฮะแต่ว่าอะไรเป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งนะฮะอะไรเป็นอารมณ์ของพยาบาทอะไรเป็นอารมณ์วิหิงสาอย่างนี้นะท่านก็ที่บายมาละเอียดมากเลยก็ทําให้เห็นเข้าใจนะฮะหรือว่าเวลา เวลาถามท่านคํานึงท่านก็จะตอบไปเยอะเลยนะเพราะผมผมเนี่ยรู้ใจท่านผมรู้เพาผมอยู่ใกล้ๆผมจะผมรู้แล้วล่ะมาถ้าผมถามตรง น, นี้ท่านไปได้อีกไกลแล้วโอ้โหผมถามคํานึงผมรู้โอ้ยท่านนึกอะไรจะไหลายออกมาเยอะแยะเลยผมก็อถามบ่อยๆนะะนี่ก็หมายความว่าอีกระดับหนึ่งที่จะเป็นครูบาอาจารย์ในระดับนั้นนะส่วนผู้ที่เอเพียงแต่ว่า ที่จะเอาตัวรอดประคองตัวไปเนี่ยนะอย่าม่ให้มันตกต่ําสร้างอินทรีย์สร้างบารมีไปเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าจะสําเร็จมันรู้อะไรกันรวดเร็วอย่างนี้นะครับหมายความว่าเอารักอย่าให้ขาดทุนในชีวิตนี้นะเกิดมาชาตินี้จเจริญเจริญวิปัสนาเป็นนี่ก่อนนะับว่าโอ้โหบุญมหาศาลแล้วนะผมว่าเท่านั้นนะนะบุญมหาศาลมากมากเลยนะที่ท่านจเจริญเป็นเนี่ยนะ ก็คงหนีไม่พ้นการเจริญไปตามอริยสัจสีสส่นะนะการเข้าใจอริยสัจ ส, สีอย่างอย่างดีเนี่ยนะเนี่ยนะครับเป็นเป็นทางเข้าสู่เป็นทางเข้าสู่าการปฏิบัติพราศาสนานะฮะผมพูดมานานแล้วนะครับว่าเรื่องการปรึกเนี่ยมีความสําคัญมากเลย ตึกเนี่ยสําคัญที่สุดเลยนะแต่ว่าผูา้ใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีใครไม่มีใครเข้าใจผมยังนึกเมื่อคืนอยู่เลยนะบอกว่าเออแนวความคิดหรือแนวทางปฏิบัติทำตามพระไตรปิฎกหรือตามคัมภีร์ผมไม่อยากจะบอกว่าเออนี่เป็นแนวของพระอาจารย์สมบัตินะผมไม่อยากพูดอย่างนั้นนะหรือว่าเป็นแนวของอาจารย์โน้ อ, อาจารย์นี้ผมไม่อยากพูดอย่างนั้นนะคือที่พระอาจารย์มาให้ความสนใจผมเนี่ยนะผมสนใจเรื่องเรื่องการตรึก นี่นะฮะว่าเออจริงๆแล้วนี่การเจริญปัสนามันเป็นเรื่องกันตึกจริงๆนะเออแล้วก็ไ อ, อ้เรื่องการตึกนี่มันผิดกับคนที่เขาเข้าใจกันในปัจจุบันนี้จนแทบจะทั่วประเทศก็เห็นมีพระประยุตโตเท่านั้นนะที่ท่านยังสนับสนุนว่าท่านยังพูดมาในเรื่องนี้บ้างนะแต่ก็ยังไม่ได้ยินท่านพูดในรายละเอียด น, นะผมก็ยังมาเห็นอยู่องคเดียวนั้นนะที่ท่านบอกว่าเออการ เข้าใจว่าวิวปัสนาไม่ใช่การตึกอย่าพูดอย่างนั้นนะท่านยังทําดีกล่าวไว้ในหนังสือนะก็เห็นอยู่แค่นั้นนะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นลึกซึ้งมาท่านสอนในเรื่องนี้ในเรื่องการตึกเนี่อะไรมากมายนะถ้าที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องวิปัสนานี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องการตึกแต่ถ้าจะพูดภาษาไทยว่าเออวิปัสนาเป็นเรื่องการคิดนี่หมาดูมันฟังดูแล้วมันมันอ่อนจริงๆเลยมันมันดูไม่ค่อยมีคุณค่าเลยนะ แต่บอเออนี่มันขึ้นอยู่กับโยนิสโสมรสิกานนะโยนิสโสมรัสิการเป็นแสงเงินแสงทองแห่งการบรรลุมรคผล่นนะโอ้โหถ้าพูดอย่างนี้มาเขาท่าทีเดียวนะก็เลยเห็นว่าอำนาจการตึกนี้มั่งจริงวันนี้การตึกเนี่ยนะฮะคนที่อยู่ในในอเพศของชาวเป็นคณะว่านอย่างเราเรานี่ยนะครับอจริงแพทย์ล้อมเนี่ยค่อยๆอำหนยใ ห, ให้ให้มีเวลาที่จะทุ่มเทมในเรื่องการตึกเพราะมันตึก เป็นชิ้นเป็นอันตึกเป็นอุตสาหกรรมหนักเลยนะไม่ใช่ตึกไม่ใช่ตึกเล็กน้อยนะมันตึกเป็นอุตสาหกรรมเลยนะมันไม่ใช่ตึกเป็นของชำร่วยของเล็กน้อยเลยเนี่ยนะผมมองเห็นภาพเลยว่าโหต้องต้องมากจริงๆนะครับสมมติว่าถ้าหากว่าเราตึกวันลบชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยนะซึ่งคารวาวาห์พอทำได้นะถ้าทำนะแล้วก็แค่นี้มัก็ยังมีประโยชน์อ่ะ ก็ยังเห็นอะไรอีกเยอะแยะเลยยังเข้าใจอะไรอีกเยอะแยะเลยถ้าศีลนะถ้าผมไม่มาตึกนะผมจะไม่ค่อยเข้าใจศีลในในในระดับสูงนะจะไม่เข้าใจมากมายเลยนะยังจะเข้าใจผิวเผินนะว่าศีลเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับในในขั้นจิตสิทธิขายยังไงบ้างเนี่ยเราเนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าพอในระดับสูงนี่นะมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยทั้งด้านปัญญา เห็นว่าเจตสิกสีเนี่ยนะฮะเข้าเข้าเข้าล้ำเข้าไปในจิตสิกขานะแล้วยังล้าเข้าไปในในกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิแสดงว่าล้ำเข้าไปในปัญญาสิกขาอีกหน่อยด้วยซ้าไปคือคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการเอามาคล้ครวนเอามาตึกนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปตึกในอริยสัจสีได้นี่นะฮะถ้าตึกยังถูกต้องนะฮะหรือที่เราเรียกว่าทําปริญญาเนี่ยถ้าหากว่าเราตึกมากมากนะตึกตึกเป็นชิ้นเป็นอันนี่ เราจะเข้าใจมากเลยเราจะเข้าใจเราจะเห็นเราจะเห็นความเป็นอริยสัจโดยเยนบ้านเราฟังฟังเนี่ยนะครับอ่าสูตรที่ที่ที่เราฟังวันนี้นะฮะก็ฟังเหมือนกันนะแต่ทําไมทําไมทําไมพระปัญจวัคคีย์ท่านบรรลุพระโสดาบันนี่นะผมเนี่ยมองหาอยู่เนี่ยเอ๊ะท่านบรรลุ ต, ตรงไหนนะผมมองพยายามมองหาเอ๊ะท่านบรรลุ ต, ตรงไหนนะเนี่ยแล้วเหล่านี้ก็ฟังเหมือนกันเลยเนี่ย เนีเอ๊ะแล้วบัรู้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้น่าคิดมากเลยเนะอย่างจารย์สติเคยเคยเค ย, เคยสงสัยไหมครับว่เอ๊ะทำไมท่านบรรลุตรงไหนนะเนี่ยเพราะก็ยังดูดแล้วยังไม่ได้ทําปริญญาอะไรเลยนะเขาบอกว่าเออบรรลุนี่นะทุกขสัตว์นะต้องปริญญานะเนี่ยต้องปริญญาจิตนะแล้วท่านทําปริญญาจิตในทุกขสัตว์หรือยัง นะครัหานักกิจในสมุดไทยศาสตร์เนี่ยท่านทําหรื อ, อยังเรายอมต้องพูดถึงปานักกิจในในสมุดไทยศาสตร์นะเรามาคิดว่าท่านทันผมบูนหรื อ, อยังในทุกษัตริย์เนี่ยเดี่ยนะครับท่านทําหรื อ, อยังหรือว่าท่านทํามาแล้วแต่ว่าแต่ว่ายังพอมาฟัอีกทีแล้วก็บรรุเลยทําทําค้นสุดท้ายเลยหรื อ, อยังไงอาจารย์ทันติมีมีความเห็นยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วก็ ไม่เค่อยสงสัยนะครับเพราะว่าของพระปัญญาบุคีนี้ท่านบริบูรณ์เพราะนั้นมาฟังชาติสุดท้ายนี้มันก็เหมือนง่ายๆแต่ว่ายัางไงก็จะต้องมีสัจญาณกิจยานกัตยานแน่นอนของท่านพระพระัญญากรยัญญนี่แสนกลับใช่ไหมครับแสนกลับเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยจะบอกว่าท่านไม่ได้ทํากิจมาหรือเปล่าท่านก็ต้องทําปริญญามาแต่ว่ายังไม่ถึงความบริบูรณก็เป็นอุปนิสัยมาใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นมาฟังชาติสุดท้ายก็เหมือนกับว่าสิ่งที่มันเคยทํามาจนกระทั่งชินแล้วเพราะมันก็เหมือนกับว่าง่ายๆเหมือนกับไม่ได้ทําไม่ได้ทำแต่ความจริงแล้วท่านก็จะต้องทํากิจนั้นแหละแต่เป็นกิจที่ท่านอบรมมาจนกระทั่งชินมากก็เลยเหมือนกับว่าบรรลุง่ายๆในเรื่องของการตรึกนี้ก็จริงๆแล้วเห็นด้วยอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ อ, อรู้สึกสังเกต พระอาจารย์สมบัติเห็นการรู้สึกว่าท่านไม่ยอมปล่อยให้ให้มีเวลาว่างนะจะทำโน่นทนํานี่บางทีชงกระทั่งนะครับไปที่บ้านผมนี้ผมพยายามต้องหลบท่านหน่อยเดี๋ยวท่านไม่ได้พักผ่อนเพราะท่านท่านก็จะหาเรื่องคุยธรรมะนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวเอาขึ้นรถท่านให้สาธยายกันละจริงๆแล้วจะจะถ้าจะกล่าว ง, ง่ายๆก็คือมันมีวิตกสองอย่างไม่กุศลวิตก ก็อากุศลวิตกถ้าเกิดเมตึกไปทางกุศลวิตกอากุศลวิตกมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนดังั้นการฝึกวิตกสําหรับคนที่มีสมาธิฏฐินะครับก็จะเป็นแนวทางในการที่อบรมมรรคมีองค์แก็คือเริ่มที่อกีดกันเกียกรติกันอกุศลวิตกต่างๆออกไปแล้วก็เจริญกุศลวิตกซึ่งถ้ามีความเข้าใจเรื่องของศีลสิกขามีการอบรมสมถะเนี่ยแล้วก็มีการตรึกไปแนว ตามตามแนวธรรมะเนี่ยก็เป็นคันลองที่จะทําให้เข้าถึงมรรคในองค์แปดท่นก็เลยก็เห็นประโยชน์มากๆในการที่จะตึกแต่ว่าการที่จะตึกได้ศีลก็จะต้องดีมาก่อนใช่ครับแล้วก็จิตก็จะต้องสงบเพราะว่าถ้ายังมีนิวรณ์กุ้มรุมถึงแม้จะมีความเข้าใจธรรมะเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตึกได้ติดต่อก็ตอนนี้ก็สนใจเรื่องของสมร ส, สนาธญญาณเพราะว่าท่านก็จะแสดงว่า ให้มีการเจริญภาวนาโดยมีความเคารพมีการเจริญโดยอาศัยส ป, ปายะเจริญโดยติดต่อเจริญให้ติดต่อกันโดยเพาะท่านบอกว่าเจริญโดยที่ไม่อะไรในร่างกายและชีวิตก็คือจะต้องเอาจริงอย่างจริจะต้องทุ่มเทจะต้องเรียกว่าไม่เสียดายเลยชีวิตนี้เพราะว่ามุ่งหวังที่จะบรรลุเนี่ยนะครับนั้นการที่คิดว่า ก็เปลี่ยนเรื่องยากซึ่งพระอาจารย์สมบัติก็คงจะพอทําใจได้นะครับว่าจะให้ทุกคนเจริญได้อย่างที่ที่เ อ, อพระริยาสาวกท่านทํากันเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ยากามากเพราะว่าคงจะต้องอาศัยสัปปายะอาศัยการตุ่มเทอาศัยการที่คือปรารถนาพระนิพพานจริงๆหวังที่จะพ้นจริงๆเนี่ยแต่ว่าของเราก็เป็นพักๆเวลาที่ได้อารมณ์ที่ไม่ไม่น่าปรารถนาเรารู้สึกว่าพระนิพพานนี่โอ้หน้าถึงมาก ต่ว่าเวลาที่ได้อารมณ์ที่น่าปรารถนาก็เดี๋ยวรอก่อนเอาไว้ก่อนมันก็เลยเป็นเรื่องที่เอเหมือนกับว่าเดินไปข้างหน้าห้าเก้าแต่ถอยกลับไปเป็นร้อยเป็นร้อยกิโลอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเป็นมีสิ่งที่เป็นเครื่องเนิ่นช้ามากอย่างที่พระสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านแสดงว่าอยู่เป็นครวญครองเรือนเนี่ยจะปฏิบัติตามมะให้ข่าวเหมือนกับสังที่ขัดแล้วเนี่ยเป็นไปนด้วยยาก ท่านท่านก็จะออกบวชกันแต่ว่าก็คงต้องคิดดีๆถ้าบวชสมัยนี้แต่ไม่แน่นะครับเดีย๋ยวพระอาจารย์พร้อมนี่คงจะพอเป็นอุปชาได้นะครับ <c oughs> เป็นอุปชาไม่ได้เพราะระบบทุกวันนี้ไม่ง่ายนะต้อง <c oughs> คือผมสังเกตดูนะพระอาจารย์เนี่ยท่านท่านเป็นคนรีบร้อนมากที่จะที่จะหลีกนี้ไอ้วัตานี่นะ ท่านเคยบ่นนะท่านเคยขอโทษนะท่านเคยไม่ท่านเคยเครียดมากเลยเห็นพวกผมเนี่ยท่านเคยบ่นว่าอพวกนี้เขาไม่รู้จักว่าเขาจะต้องตายหรื อ, อยังไงนะเอะเขาไม่รู้เลยอายุป่านนี้แล้วเนี่ยความตายมันใกล้เข้ามาเนี่ยเออเขาประมาทอยู่ได้ยังไงไม่เร่งร้อนได้ยังไงนะนะนันผมฟังดูอืมเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็ก็อยากจะให้ทุกค น, นะวิ่งตามท่า น, นใ ห, ให้ให้เร็วๆเนี่ยะอ่ ะ, น ะ, นะนะ ให้ให้ไปเร็วนท่านท่านท่าก็เดินเร็วด้วยนะไม่ใช่นั่นนะท่านก็เดินเร็วด้ว ย, นะมนะววยผมเชื่อว่านะฮะ <c oughs> ในความคิดที่ว่าที่ว่าการเจริญการปฏิบัติทาชั้นสูงเนี่ยเป็นเรื่องของโยนิสวงมรสคการเป็น เรื่องการตรึกเพราะในคมภีร์บอกไว้เลยนะครับว่าการกระทํากรรมในโยนิโสมณัสิการนั้นเนี่นะเป็นปฏิบัติศาสนาเลยนะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนทีเดียวได้ฟังปริยัตได้ศึกษาปริยัตมาพอสมควรทีเดียวนะฮะแต่ว่ามาถึงขั้นการตรึกขึ้นใาอชั้นหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ไม่ง่ายละนะก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งละอีกระดับหนึ่งนะฮะเหมือนกับว่าขึ้นมาจาก เตรียมอุดอมนี่จะขึ้นมาเรียนในขั้นหมายเวลานี้ก็อีกคนละเรื่องละมันมีชาการต่างๆการเรียนการอะไคนละเรื่องเลยนะก็ผมสังเกตดูแล้วคุยกับคุณอไอทูล น, นะของคุณคุณไอทูลดูคุณไอทูลกันเริ่มอ่ะคือเริ่มสนใจว่าเรื่องการตึกอ่ะแต่คุณไอทูลก็สงสัยนะบอกเอ้ก็อยากจะตึกอะแต่พอเริ่มฝึกมันก็ ตั้งใจวุกคนจริงๆนะแต่มันตึ ก, ต, กตึกมันไม่ไปอะมันไม่ไปเลยนะเอะผมคุยคุยไปคุยคุยมาดูเออจริงฮะนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยนะก็ตึกไม่ออกจริงอะ่ะเขาบอกว่าเห็นการน้ําเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขียบุหรีเนี่ยเอย มันตึกย่างไงนะเนี่ยมันมันทั้งทั้งที่คุณนายทุนก็มีปริญญาตมาอะไรฟังอะไรมามีพื้นฐานมาพอสมควรนะแต่ว่ายังไ <ถ liberties S 2> ม่ได้ลองทดลองตึกยังไม่ได้ทดลองอะไรนะตึกไม่ออกจริงจริงก็อยากจะแนะนําพวกประมาณนิดหนึ่งเหมือนว่าเรี่ยนวิชาค้าขายมาใช่ไหมถ้าลงทุนเท่าน <rag teen>. <og> ี้กําไรมันควรจะเท่านี้ถ้าทําอย่างนี้ถ้าไม่ได้อย่างนี้มันจะขาดทุนเนี่ยนายเราโยนสินค้าให้ไปอ่ะไปนน่นละแต่เข้าไปในตลาดเลยทําไง เอาจริงๆเนี่ยนะให้สินค้าเนี่ยให้ไปกล่องนึงเลยนะเอาแบบอะไรนะถั่วเนี่ยเนี่ยลงทุนนะครับแบบแขกขายถั่วกันแล้วกันเนี่ยน้ลงทุนไม่ยากนะซื้อถั่วมาแล้วก็โทนบนหัวใช่ไหมมีสักสี่ห้าชนิดเนี่ยเนี่ยนะลงทุนเท่านี้เพื่ะนคุณต้องขายภายในวันนี้ควรจะได้สตังค์เท่านี้แล้จะเหลือกําไรเท่านี้นะแล้วถามว่าไปขายยังไงอ๋อไอ้นั่งอยู่กับที่เกินไปหรือใครจะมาซื้อ ไอ้จะไปทั้งวันด้วยมันก็เหนื่อยทํำยังไงให้มันให้มันมันพออยู่ได้เนี่ยสมมุติรักแขกขายถั่วชั้นใดผู้ที่จะอบรมสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะมันยากที่เรียกว่าแค่อยากตึกแล้วตรึกได้เลยเพนึกนึกอยากตรึกป๊บได้ทันทีเลยพันไม่ง่ายพันจะต้องมีอะไรนะจะต้องเข้าใจอุปนิสัยของความคิดตัวเองว่าแต่ละถ้าเราจะคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเลยเนะเราต้องเป็นนักหาข้อมูลก่อน หาข้อมูลในเรื่องนั้นให้มันพอก่อนแลนะจึงน้อมไปเพื่อตรึกเรื่องนั้นอันเนี้การตรึกเรื่องนั้นจริงจะได้แต่ถ้าอยู่ๆนะแบบใช้ปฏิทันเลยเนี่ยจะฉันจะโชว์แล้วนะเรื่องเนี้หมดสิ้นะถ้าทําได้จริงเนี่ยมีบุญเก่าเยอะมากๆเลยที่เได้ว่ามองอะไรปั๊บก็ทะลุโปร่งโดยที่ไม่ต้องอะไรนะพูดแบบภาษาไทยเรียกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะพูดปั๊บก็มองเห็นเลยอะอย่างนี้เนี่ยคนอย่างนี้มีไม่มากแต่ก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่มาก แต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยถ้าจะตรึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยต้องหาข้อมูลในเรื่องนั้นให้พอเลยสมมุติอย่างที่ว่าถ้าเราจะตรึกเรื่องศีลเนี่ยนะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องศีลมีอยู่ที่ไหนนะจะต้องเก็บมาจนพอจริงๆแล้วก็ผู้ที่เขารักษาศีลเนี่ยเขาตรึกกันยังไงอันนี้ลักษณะหนึ่งนี่พอย้อนกลับมาถึงเรื่องการตรึกขันธ์อริยตนะเรามาดูอัธยาศัยของผู้ที่บรรลุที่ขยาศาเนี่ยท่านคิดยังไง ท่านเห็นบริวารของท่านเห็นคนในครอบครัวของท่านทั้งหมดนะตาช้าผีดิบดีๆนี่แหละมนัิการเนี่ยนะสัญญามนัิการของท่านมีความคิดจริงๆว่านี้มันตาช้าผีดิบชัดๆเต็เนี่ยนะนี่มันศพเดินได้ศพเดินได้ชัดๆเลยเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยเนี่ยถามว่าถามว่าท่านสั่งจักหายเมาไปเยอะแล้วใช่ไหม กิเลสเนสร้างไปเยอะแล้วมีความรู้สึกว่าซากศพนอนเนี่ยเกลื่อนกลาดกระจัดกระจายพื้นฐานอสุภสัญญาเนี่ยดีขนาดนั้นพอพอท่านเนี่ยเป็นแยนท่านไปฟังธรรมเนี่ยนะนั่งอาสนะเดียวเนี่ยบรรลุมรรคสีเลยนะนั่งอาสนะเดียวเนี่ยนะไปถึงก็พระองค์แสดงอนุปพิกาถาท่านก็ฟังแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันพ่อตามมาแสดงให้พ่อฟังอีกท่านก็พิจารณาตามแนวเดิมนั่นแหละก็บรรลุเป็นท่ารันซึ่งถามว่า ถ้าไม่ใช่อัธยาศัยมีมีแนวความคิดแบบนั้นเนี่ยเป็นพื้นเพจริงๆมาเลยเนี่ยนะยากพันเราเราจะต้องคิดเรื่องอะไรนะพื้นฐานเลยเนี่ยการเจริญหรือการพิจารณาลีกษัตริย์เรื่องเกิดแก่เจ็บตายให้ถือเอาเรื่องนี้เป็นหลักเรื่องนะเกิดแก่ชาติชราพยาธิมรณะโศกปฏิเทวทุกขโทมนานัสอุปาญาตเนี่ยไอๆคำเนี้ยต้องให้เป็นอัธยาศัยของเราจริงๆเลยจนไม่ต้องคิดเรื่องนี้ พรถ้ามองเห็นอาจารย์สันติปั๊บเนี่ยชาติชรามรณาโศกกาปริเทวทุกขโทมนัตอุปายาตโดยที่เรียกผมไม่ต้องไปต้องนี่นะจะต้องน้อมไปคิดนั่นไม่นองให้มันชํานาญในการให้มีความชํานาญในการคิดอย่างนี้เลยจนเป็นอัธยาศัยจริงๆที่จะมองเห็นอะไรปั๊บก็ชาติชรามรณาโศกกาปริเทวทุกขโทมานัตและอุปายาตถ้าจะตึกในอริยสัจระดับสูงบึกพื้นเทตัวนี้จะต้องจะต้องดีเยี่ยมเลยนะจึงจะแยกสมุทัยสัจออก ว่าการใส่ใจโดยอโยนิสโสมนสิการที่สร้างวัตะมันเป็นยังไงแล้วใส่ใจยังไงจึงจะเป็นทางแห่งวิวัตะจึงจะแยกว่ามนาสิกานยังไงเป็นบาศของวัตะมนัสิการอย่างไรจึงเป็นบาศของวิวัตะซึ่งจริงๆโดยสูตรเนี่ยเราเรียนมาเยอะล่ะเชื่อเหรอแต่ว่าการมาพิจารณาจริงๆเนี่ยกลับไม่ค่อยมากที่ไม่มากจริงๆเพราะอะไรเพราะ อย่างว่านะพื้นเพที่จะรับอารมณ์หนึ่งอารมณ์แล้วก็เนี่ยคือชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาตเนี่ยน้อยจะต้องมองวัตถุทุกชิ้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งชาติชารามรณะด้วยแล้วตัวถ้าเป็นในสิ่งที่มีวิญ ญ, ญาณครองเนี่ยนะสิ่งนั้นก็คือตัวชาติชาราและมรณะโสกกะปริเทวทุกขโทมนัตอุปายาตอย่างกลุ่มพระอัญญาโกณธัญะเนี่ยนะ ทั้งห้ารูปไม่ต้องแปลกใจเลยท่านเหล่านั้นคิดแต่เรื่องบรรลุมาห้าปีหกปีแล้วอันนี้นี่พูดถึงตอนที่ออกบวชแล้วนะก่อนหน้านั้นอีกละเขาคิดเรื่องบรรลุตั้งแต่ดูตํารามหาปริศลลักษณะเนี่ยนะเจ็ดวันเนี่ยดูแล้วคนนี้จะบรรลุนี่คนนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ะนั้นถ้าท่านบวชนะเราจะต้องบวชตามเราจะต้องบรรลุตามให้ได้ท่านคิดอย่างนี้จนเท่าไรคิดอย่างนี้สามสิบห้าปีอะ่ะเชื่อว่าผู้นี้นะ่าจะช่วยให้เราบรรลุได้จริง คิดมั่นใจอย่างนี้สาสิบห้าปีแล้วแล้วคิดว่าท่านจะบรรลุแล้วเกือบบรรลุแล้วเกือบบรรลุแล้วคิดอยู่อย่างนี้อยู่หกปีอัธยาศัยอยากบรรลุเนี่ยสาิหปีอันนี้พูดถึงชาตินี้นะพอมาฟังอริยสัจตั้ท่านเข้าใจเลยทันทีะนะเพราะแนวโน้มสแสวงหาอาสังคตะธรรมของท่านเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านจิตโอนไปหาอาสังคตะธรรมมาสาสิกว่าปีเนี่ยเฉพาะชาตินี้นะแล้ว การฟังอริยสัจของท่านเนี่ยนะอย่างชาติพิทุกขาเนี่ยความเกิดก็เป็นทุกข์นะซึ่งแยกแยกแยะแล้วใช่ไหมอะไรเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอะไรเป็นอัตกิรมฐานุยโยกอะไรเป็นการมัศุขคาลิการุยโยคมัชฌิมาปฏิปทาคือการเห็นอริยสัจเมื่อพูดว่าชาติพิทุกขาปั๊บเนี่ยมนัสิการอารมณ์อะไรก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนอย่างว่าชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่พูดใช้เสียงเนี่ยมองและเป็นพจน์ได้ทันที ชาติพีทุกขาเนี่ยนะคือเหมือนกับว่าพระ้าหันถ้าเป็นแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านพูดถึงที่ใดนะคนนั้นจะมองเห็นที่นั่นเลยอย่างสมมติอย่างพระถ้าท่านจะพูดให้ลักษณะให้คนนี้ละลุกชาติได้นะคนนั้นมีแนวโน้มมองชาติกันเหนดอตัวเองได้เลยอะ่ะเหมือนอะไรนะอ่าพระเถรรีรูปหนึ่งที่อดีตชาติเคยเป็นลูกหมูอ่ะนะถ้ามหาเทเรารูปเห็นป้าท่านยิ้มเลยนี่นี่หมูนี่นะนางละลุกชาติได้ทั้งหมดเลยอะ่ะ ผลจากคําไม่กี่คําเนี่ยทําให้คนมองชีวิตตัวเองมาตลอดสังเวชชีวิตทันทีเลยเนี่ยนะสังเวชชีวิตทันทีเดี๋ยวเราโดยเฉพาะการตรัสรู้ธรรมชั้นสูงเนี่ยนะสังเวชเป็นเหตุใกล้นะสังเวชเป็นเหตุใกล้แห่งการตรัสรู้ธรรมพื้นฐานเนี่ยเราเป็นผู้ที่สลดใจเนืองเนืองหรือไม่สลดใจในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจเนืองเนืองหรือไม่ถ้าไม่สลดใจในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจเนืองเนืองจริงๆเนี่ย